การฝึกรู้อนาคตตามมาตรฐานของพุทธศาสนาจะทำโดยรอบครัวเอี่ยมวงสีถ้ารู้จริงว่าทำไมถึงมาเป็นอย่างนี้คุณก็มั่นใจว่าจะอ่านเกมธรรมชาติออกบอกถูกว่าอนาคตข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นด้วยเหตุผลคนใดเช่นกันสำหรับการฝึกข้อนี้ จริงๆแล้วมีขึ้นด้วยจุดประสงค์ให้เป็นความรู้ความเข้าใจมากกว่าจะสนับสนุนให้ทุกคนฝึกฝนด้วยตนเองเว้นแต่คุณจะมีพื้นฐานสมาธิดีจิตใจปลอดโปรงผ่องแผ้วและโน้มน้อมไปในทางวิเวกไม่ติดข้องอยู่กับอารมณ์โล ก, โลกมากนักก็อาจลองใช้ความรู้ในข้อนี้เป็นแนวทางการฝึกได้ทางที่ดีที่สุดคือให้มีพื้นฐานเป็นการฝึกรู้ ฝึกยอมรับสภาพกายใจตนเองให้ได้ตามจริงก่อนเริ่มจากการปูพื้นทำจิตให้มีคุณภาพด้วยการหมั่นให้ทานรักษาศีลจนรู้สึกใจคอสบายสะอาดและสว่างจากนั้นอาจเข้าไปดูแนวทางฝึกจิตแบบมหาสติประธานสูตรซึ่งพระพุทธเจ้าประธานไว้ในที่นี้ทุกท่านสามารถดาวน์โหลดหนังสือมหาสติประธานสูตรได้ที่เว็บไซต์ d a n g r i n com นะครับ แล้วก็ยังมีเวอร์ชั่นเป็นเสียงอ่านที่ผมอัดเสียงไว้เช่นกันหลังจากจิตพอมีสมาธิรู้สึกว่าภายในสว่างคงเส้นคงวาคุณก็พร้อมสำหรับการฝึกรู้อะไรมากกว่ากายใจเป็นลำดับต่อไปธรรมชาติของการเกิดความยังรู้ความสามารถยังรู้สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เห็นไม่ได้ด้วยตา ฟังไม่ได้ด้วยหูและคิดคเนไม่ได้ด้วยใจเราเรียกว่าญาณอันเป็นความสามารถทางจิตส่วนจะเป็นญาณใ น, นทางไหนก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณฝึกมาอย่างไรเช่นญาณอย่างรู้ใจคนก็ต้องฝึกรู้ว่าราจิตตนและวาราจิตผู้อื่นที่กำลังเกิดขึ้นสำหรับการอย่างรู้อนาคตไม่ว่าจะของตนเองของผู้อื่นหรือของโลก รวมเรียกว่าเป็นอนาคตังสยานคัมภีร์ปฏิสัมพิธามัตตซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพระไตรปิฎกกล่าวถึงอนาคตังสยานไว้โดยนํามารวมเข้าพวกกันกันกบทิพยจักษุหรือการมีตาทิพตลอดจนยะถากรรมูปขยานหรือการมีความอย่างรู้สภาพการเป็นไปาตามกรรมที่สะสมไว้ของเหล่าสัตว์ นั่นหมายความว่าอนนาคตังสยานในแบบของพุทธคือความสามารถอย่างรู้ว่าด้วยต้นเหตุคือกรรมอย่างนี้จะส่งให้เกิดผลคือวิบากอย่างไรเมื่อไหร่โดยมีความสามารถในการจำแนก แ, กแยกแยะคิวกรรมว่ากรรมนี้มีน้ำหนักให้ผลก่อนกรรมโน้นแม้ทำก่อนแต่ก็จะให้ผลทีหลังซึ่งลักษณะอย่างรู้จะไม่เหมือนคิดประมาณเอาตามตักกะ แต่เป็นการชั่งน้ำหนักเอาด้วยจิตโดยตรงเปรียบเหมือนคุณคณนไม่ได้ด้วยตาเปล่าว่าลูกเหล็กหน้าตาเหมือนกันน้ำหนักเท่ากันสองลูกลูกใดจะกลิ้งจากจุดเริ่มต้นไปเข้าเส้นชัยก่อนกันเว้นแต่คุณจะทราบถึงแรงดีดจึงบอกถูกว่าลูกเหล็กที่ถูกดีดแรงกว่าย่อมเข้าเส้นชัยก่อนเป็นต้นและเพื่อจะมีทิพยญายจักสุ ตามมาตรฐานของนักฝึกชาวพุทธท่านให้ฝึกสิ่งที่เรียกว่าอาโลกกสินดังที่ปรากฏในคำพีแสดงไว้ในปฏิสัมพิามัคความว่าภิกษุในศาสนานี้เจริญอาโลกกสินมุ่งไปสู่นรกเบื้องต่ำย่อมเห็นสัตว์นรกทั้งหลายเสวยทุกข์กันใหญ่การเห็นนั้นนั่นแหละเป็นกิจของทิพยจักสุ ภิกษุนั้นกำหนดถามด้วยใจว่าสัตว์เหล่านี้ทำกรรมอะไรไว้จึงต้องเสวยทุกข์เช่นนั้นครั้นแล้วญาณก็จะเกิดขึ้นแก่ภิกษุว่ามีกรรมอันใดเป็นต้นเหตุทุกข์นั้นๆกับทั้งปรากฏเป็นนิมิตให้ภิกษุทราบว่าด้วยกรรมอย่างนั้นด้วยกรรมอย่างโน้นจึงมาเป็นเช่นนี้สรุปคือฝึกอาโลกักสินก่อน พอเกิดตาทิพย์ถึงขั้นรู้เห็นการสวยกรรมของสัตว์นรกหรือเทวดาได้เมื่อใดแค่ถามใจตัวเองว่าเขาไปทำอะไรมาก็จะเกิดญาณอย่างรู้ตามคุณภาพจิต ร, ระดับนั้นฉะนั้นถ้าเราจะเอาการที่จุดเริ่มต้นแห่งการอย่างรู้อนาคตก็ควรเริ่มจากอาโลกกสินเป็นอันดับแรกอาโลกกสินวิธี พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในกะสินสูตรว่าบอกเกิดแห่งกสินทั้งหลายคือฝึกรู้ชัดซึ่งกะสินหนึ่งหนึ่งโดยความแผ่ไปในเบื้องบนเบื้องต่ำเบื้องขวางไม่มีสองหาประมาณมิได้ความหมายคือเมื่อสามารถหน่วงนึกถึงอะไรไว้ได้อย่างเช่นแสงสว่างก็ให้จดจำไว้ในลักษณะเปิดแผ่กว้างขวางออกไปจนเห็นสว่างทั่ว ไม่ว่าข้างหน้าข้างหลังข้างบนข้างล่างและไกลยังไม่มีขอบเขตอันนั้นแหละกระสินตามแนวทางของพระพุทธเจ้าสำหรับอาโลกะกระสินจะหมายถึงให้น้อมใจนึกถึงแสงสว่างและหน่วงแสงสว่างที่นึกได้นั้นไว้จนกระทั่งจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิหากฝึกสำเร็จก็จะเห็นเหมือนเปิดฟ้าออกทั่วทุกด้านและแสงที่สาดเข้ามา ก็จะสวยกว่าแสงอาทิตย์เกินประมาณพอสามารถนึกออกและจำได้จนเหมือนฟ้าเปิดก็จะสามารถเห็นทะลุเพดานจำกัดเดิมของมนุษย์ออกไปรู้จักนรกสวรรค์และภพภูมิกันสำหรับความเข้าใจเบื้องต้นคุณอาจมองก็ได้ว่ากระสินคือวิธีขยายศักยภาพในการนึกถึงสิ่งที่จำได้ให้ทวีตัวขึ้นเป็นร้อยเท่า ซึ่งเมื่อสิ่งที่นึกถึงคือแสงสว่างก็ยอมให้ผลเป็นแสงสว่างนับร้อยนับพันเท่ากระทั่งส่องทะลุกำกแพงความมืดที่ห่อหุ้มจิตออกไปรับรู้สิ่งที่แก้วตาไม่อาจรับรู้ได้วิธีง่ายที่สุดเพื่อฝึกอารมกักสินให้คุณเข้าไปอยู่ในที่โล่งกว้างราศจากตึกหรือสิ่งบดบังขอบฟ้าเช่นชายทะเลที่ท้องฟ้าเปิดสว่างรอบ หรือตึกสูงในมุมที่เห็นได้กว้างไกลไม่ติดขัดจากนั้นให้ดูว่าร่างกายอยู่ในสภาพพร้อมหรือไม่ขอจงระลึกว่าการจะฝึกกรสินสำเร็จได้นั้นร่างกายห้ามเกรงเด็ดขาดจิตห้ามอยู่ในอาการฝืนเพ่งบังคับเด็ดขาดขอให้คิดดูว่าตอนเกิดความเครียดคุณนึกอะไรออกบ้างเพื่อจะแน่ใจว่าไม่กำเกรง ให้สำรวจตั้งแต่เริ่มต้นและสำรวจเป็นระยะๆะะว่าฝ่าเท้างุ้มอยู่ไหมฝ่ามือกำอยู่ไหมหัวคิ้วขมวดอยู่ไหมหากรู้ตัวว่ากล้ามเนื้อส่วนใดส่วนหนึ่งมีความเครียดเขม็งอยู่ก็ให้คลายออกซะจนรู้สึกถึงความผ่อนคลายจิตใจได้แล้วค่อยตั้งต้นฝึกกันเริ่มขึ้นมาให้มองตรงตรง อย่าเพ่งจ้องจุดใดจุดหนึ่งคับแคบมองจนกว่าจะแน่ใจว่าคุณเห็นความสว่างทั่วท้องฟ้าจากนั้นให้ปิดตาลงและนึกถึงความสว่างทั่วท้องฟ้าที่ติดตาว่าเป็นอย่างไรอย่านึกเป็นสีหรือรายละเอียดใดๆและให้รักษาระยะสายตาไว้เท่าตอนลืมตาด้วยจะรู้สึกเหมือนยังลืมตามองฟ้าเหมือนเดิมอยู่ครู่หนึ่งก่อนเลือนไป การเลือนไปมักเกิดจากระยะสายตาเปลี่ยนหรือฟุ้งซ่านสับสนให้ลืมตาขึ้นมองอีกแวบหนึ่งก่อนปิดตาลงนึกถึงความสว่างกับรักษาระยะสายตาเท่าที่มองฟ้าไว้ใหม่จนกว่าจะรู้สึกว่าค่อยๆนิ่งขึ้นเรื่อยๆขอให้ระลึกว่าสิ่งที่เราต้องการไม่ใช่ภาพติดตาทว่าเป็นความสามารถหน่วงนึกถึงแสงสว่าง ไม่ให้ลืมไม่ให้เลือนหายไปภาพติดตามีประโยชน์แค่กระตุ้นให้คุณนึกออกเท่านั้นทิศของการฝึกที่ถูกต้องคือหน่วงนึกไว้ให้ได้นานๆด้วยความรู้สึกสบายๆ ย, ยิ่งนานยิ่งสบายก็จะยิ่งชัดขึ้นเรื่อยๆและคุณจะยิ่งพบความเปลี่ยนแปลงในทางขยายวงกว้างขึ้นแบบพองออกไปเรื่อยๆ ครอบกลุ่มพื้นที่ด้านหน้าด้านหลังด้านข้างทั้งซ้ายขวาตลอดจนบนล่างทั่วไปหมดนอกจากขอบเขตกว้างยาวที่เพิ่มขึ้นเป็นเงาตามกาลังสมาธิยังมีความสว่างของแสงที่ต่างไปคุณอาจเห็นแสงแบบเดียวกับแสงดาวประกายพลึกเพียงแต่สากระจายเต็มฟ้าเจิดจ้าเป็นประกายพฤึกที่ส่องสว่างออกมาทุกทิศ ท, ทุกทาง มิใช่จากจุดเล็กบนท้องฟ้าไกลโพ้นโดยมากถ้าเริ่มเห็นชัดประดับระากายพฤกทั่วฟ้าคุณก็เริ่มพร้อมจะฝึกมองให้ทะลุขีดจำกัดของมนุษย์แล้วเช่นตาปิดอยู่แต่นึกอยากมองทะลุหนังตาออกมาเห็นวัตถุรอบตัวก็สามารถเห็นได้อันหนึ่งบางตำราอาจให้คุณใช้แสงดาวหรือแสงจันทร์ ซึ่งเป็นจุดเล็กคับแคบจดจำยากโดยเฉพาะผู้ที่ยังไม่เคยผ่านการฝึกกระสินมาก่อนขอให้เข้าใจว่าต้นกำเนิดแสงจะเป็นอะไรก็ได้เพียงสามารถจดจำและน้อมมานึกได้พอแต่สำหรับมือใหม่หากจะให้ตรงกับกระสินวิธีที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในกระสินสูตรการจำแสงที่สาดทั่วฟ้าจะนับว่าใกล้เคียงมากที่สุดและได้ผลที่ต้องการเร็วที่สุด ตัวอย่างการฝึกอารมณ ก, ะกะัินนของพระอนุรุท ธ, ธะเรื่องนี้มีมาในอุปกิเลสสูตรซึ่งเป็นเรื่องของพระอนุรุท ธ, ธะผู้ได้ชื่อว่ามีความเป็นเลิศในทางทิพยาติจากสุยาณเหตุเพราะท่านสามารถเห็นโลกอื่นได้นับพันภายในเวลาชั่วอึดใจเดียวซึ่งไม่มีพระสาวกใดทำได้เท่าอย่างไรก็ตามแม้ท่านจะมีบุญเก่าทางนี้ช่วยหนุนอยู่ แต่ก่อนจะฝึกสำเร็จท่านก็เป็นแค่มนุษย์ธรรมดารู้เห็นอะไรได้ด้วยตาเนื้อธรรมดาอีกทั้งเมื่อพยายามฝึกฝนก็มีใช่จะประสบความสำเร็จทันทีทันใดต้องมีครูช่วยสอนช่วยปัดเป่าอุปสรรคให้พระอนุรุท ธ, ธะท่านเริ่มได้ตาทิพย์แบบอ่อนๆตอนฝึกฝนยังหนักอยู่ในป่าปาจีนวงศ์ช่วงนั้นพระผู้มีพระภาคเสด็จไปโปรดพระอนุรุท ธ, ธะ ในฐานะที่เป็นหนึ่งในเหล่าพระญาติพอพระผู้มีพระภาคถามไทยว่าปฏิบัติอย่างไรอยู่ติดขัดอย่างไรไหมพระอนุรุท ธ, ธาก็กราบทูลว่ากำลังฝึกเพื่อเห็นรูปด้วยแสงสว่างจากสมาธิหรืออีกนัยยะหนึ่งท่านฝึกอารมกักะสินพอได้บ้างแล้วแต่กำลังพบอุปสรรคโดยทูลเล่าข้อติดขัดว่าข้าพระองค์รู้สึกถึงแสงสว่างและการเห็นรูป แต่ไม่ช้าแสงสว่างและการเห็นรูปก็หายไปยังเห็นนิมิตไม่กระจ่างชัดทั่วถึงพระเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าสดับเช่นนั้นจึงตรัสสอนแนวทางอย่างละเอียดคือดูก่อนอนุรุ ธ, ธะก่อนที่เราจะตรัสรู้เรารู้สึกถึงแสงสว่างและการเห็นรูปแล้วรูปก็หายไปโดยไม่ทันเห็นกระจ่างชัดทั่วถึงเหมือนเช่นเธอในบัดนี้ เราก็คิดหาสาเหตุว่าเพราะอะไรแสงสว่างและการเห็นรูปจึงหายไปได้เมื่อ น, นั้นความรู้ได้เกิดแกเราว่าความลังเลสงสัยเป็นเหตุให้สมาธิเคลื่อนเมื่อสมาธิเคลื่อนแล้วแสงสว่างและการเห็นรูปจึงหายไปฉะนั้นเราก็จะไม่ยอมให้ความลังเลสงสัยเกิดขึ้นอีกจากนั้นพระองค์ก็จะระไนข้อติดขัดประการต่าง ที่ลวนเป็นเหตุให้สมาธิเคลื่อนอันได้แก่การไม่ใส่ใจการง่วงงุนหดหูความหวาดเสียวความตื่นต้นระทึกใจสภาวะอันหยาบความพยายามมากเกินไปในข้อนี้ท่านเปรียบว่าเหมือนจับนกไว้ได้วยสองมือแน่นเกินไปแทนที่จะได้ตัวนกกลับทําให้นกตายความพยายามที่น้อยเกินไปท่านเปรียบว่าเหมือนจับนกไว้หลวมเกินไปนกจึงหลุดมือ นอกจากนั้นก็ยังมีเรื่องของกิเลสตัณหาที่คอยกระซิปให้คิดถึงเรื่องที่ทำให้จิตหมองมัวตลอดจนอาการทางใจที่เพ่งแหลงรูปที่เห็นด้วยแสงมากเกินไปอีกด้วยหลังจากที่พระองค์ท่านเจริญสมาธิโดยตัดต้นเหตุที่ทำให้สมาธิเคลื่อนได้ทั้งหมดแสงสว่างก็เกิดขึ้นอย่างสม่าเสมอแต่แม้แสงสว่างบังเกิดสม่าเสมอแล้วก็ตาม ยังคงมีรายละเอียดปลีกย่อยออกไปอีกเช่นรู้สึกถึงแสงสว่างอย่างเดียวแต่ไม่เห็นรูปเห็นรูปอย่างเดียวแต่ไม่รู้สึกถึงแสงสว่างท่านจึงคิดหาสาเหตุว่าเพราะอะไรจึงรู้สึกถึงแสงสว่างอย่างเดียวแต่ไม่เห็นรูปและเพราะอะไรจึงเห็นรูปอย่างเดียวแต่ไม่รู้สึกถึงแสงสว่างด้วยพระปรีชาญาณทำให้ความรู้เกิดแก่พระองค์ว่า เมื่อใดที่ท่านไม่ใส่ใจนิมิตเห็นรูปใส่ใจแต่นิมิตคือแสงสว่างเมื่อนั้นท่านก็จะรู้สึกถึงแสงสว่างอย่างเดียวแต่ไม่เห็นรูปแต่เมื่อใดที่ท่านไม่ใส่ใจนิมิตเห็นแสงสว่างใส่ใจแต่นิมิตเห็นรูปเมื่อนั้นท่านก็จะเห็นแต่รูปอย่างเดียวโดยไม่รู้สึกถึงแสงสว่างเลยจากนั้น พระองค์ท่านก็แทงตลอดในเหตุต่างๆละเอียดยิ่งขึ้นไปอีกคือเหตุที่บางครั้งรู้สึกถึงแสงสว่างได้แค่นิดหน่อยเห็นรูปได้แค่นิดหน่อยก็เพราะมีสมาธิเพียงนิดหน่อยส่วนเหตุที่บางครั้งรู้สึกถึงแสงสว่างอย่างหาประมาณมิได้เห็นรูปอย่างหาประมาณมิได้ก็เพราะมีสมาธิหาประมาณมิได้พูดง่ายๆว่าจะเห็นมากหรือเห็นน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่าสมาธิมีอยู่เพียงน้อยหรือมาก จากนั้นท่านจึงเริ่มมีพระจักสุขอันเป็นทิพย์แจ่มแจ้งขึ้นเรื่อยๆคือรู้สึกถึงแสงสว่างหาประมาณไม่ได้และเห็นรูปหาประมาณไม่ได้ตลอดกลางคืนบ้างตลอดกลางวันบ้างตลอดทั้งกลางคืนและกลางวันบ้างนี่เป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคทรงเล่าเกี่ยวกับการฝึกทิพยญาตจักสุขของพระองค์เองซึ่งน่าจะได้แสดงให้พวกเราเห็นว่า ขนาดพระพุทธเจ้ายัางต้องเคยเพียรยังต้องเคยหาทางขจัดอุปสรรคมากมายมนุษย์ธรรมดาทั่วไปก็ต้องเพียรต้องหาทางขจัดอุปสรรคมากมายเช่นกันไม่ใช่จูจ่ๆทำกันได้เลยโดยอาศัยบุญบา ร, รมีเก่าอย่างเดียว